มิลินทปัญหาของกลุ่มศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปฐมวัคสัพพัญยุตังปัตตะปัญหาที่แปดถามว่าพระโคดมเผาอากุศลเสร็จสิ้นแล้วหรือหรือว่ายังเหลืออยู่บ้างจึงได้สำเร็จพระโพธิญาณ ราชาอาหาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระหน้าคเสณผู้ปรีชาตถาคตโตสมเด็จพระตถาคตทศพลเจ้าสพังอกุศลังชาปยิตวาเผาเสียซึ่งอากุศลทั้งปวงเสร็จสิ้นทีเดียวเจืหรือจึงสำเร็จแก่พระปรามาพิเศษสัมโพธิญาณ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 จึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญานเหตุยกเสียจากกิริยาที่กระทากรรมเป็นอกุศลไม่เหลืออยู่ขาดสิ้นทีเดียวบอกพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมโลกานราศาสดาเสวยทุกขเวทนาอยู่บ้างหรือไม่เล่า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 คำที่ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกกานาจ้าเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นเสร็จได้สาเร็จแก่พระสันเพชรดาญาจะมิผิดหรือประการหนึ่งเล่าถ้าว่าสมเด็จพระบรมโลกานาศาสดาจารย์เจ้าเผาอกุศลเสร็จสาเร็จและได้ตรัสแก่พระสันเพชรดาญานคำที่ว่าสมเด็จพระโลกุตมาจารย์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 กรรมเริ่มด้วยเย็นประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยบริโภคเหลือขนาดประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยยืนนานนักประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยตั้งความเพียรจนเกินไปประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยวิ่งมากนักประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยงานหนักนักประการหนึ่งกรรมเริ่มด้วยกรรมวีบากประการหนึ่งซิรระสมเป็นสิบประการด้วยกันและเวทนาทั้งหลายนี้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 ชนพานที่ไม่มีวิจารณะปัญญาทั้งหลายย่อมอ้างว่าเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมวิบากอย่างเดียวกรรมนั้นเว้นไวแต่พระพุทธญาณไม่มีใครสามารถจะกำหนดรู้ได้มหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมพานที่อัตมาภาพถวายพระพรไว้ว่าศิลาอันเป็นสเก็ดกระทบพระบาทสมเด็จพระโรกกานาธ ให้พระองค์เสวยทุกขเวทนานี้จะเป็นด้วยวาตะสมุดฐานและปิตตสมุดฐานเสมหะสมุดฐานสันนิปาติกาอุตตุปรินามชาวิสมะปริหาราชาและโอปกามิกาอย่างไรนั้นหาไม่ได้สะเกดศีลากระทบพระบาทเข้านี้ด้วยสามารถพระเทวทัตนั้นผูกเวนพระสัพพันอยู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 ทุกขเวทนานี้เกิดด้วยกรรมวิบากก็ว่าเกิดด้วยพระเทวทัตกระทำก็ว่าและเวทนาที่จะบังเกิดด้วยสิ่งอื่นคือมูลแห่งอกุศลที่พระองค์กระทำแล้วหาไม่ได้และจะเกิดด้วยวาตสูตรฐานเป็นต้นก็หาบ่ไม่ได้และจะเกิดด้วยเหตุเจ็ดประการมีวาตสูตรฐานเป็นต้นนี้เข้าแสมแทกก็หาไม่ได้ จะว่าเป็นด้วยวิบากแห่งอกุศละกรรมหรือหรือจะว่าเกิดแต่พระเทวทัตกระทำก็ตามแต่จะว่าเถิดอุปมาฉันใดอุปไมยดุจบุรุษผู้หนึ่งจะกระทำนามีผู้หนึ่งเอ็นดูให้นามีผู้หนึ่งเมตตาให้ข้าวปลูกครั้นบุรุษผู้นั้นได้ทากไถยสเร็จการแล้วจึงเอาข้าวปลูกที่เขาให้นั้นวานลงในนา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 พึงเข้าพระไทยเถิดว่าสกเกตศีลามากระทบพระบาทสมเด็จพระบรมโลกกาณาธนี้จะเป็นด้วยกรรมพระองค์เจ้ากระทํามาหาบ่ไม่ได้อันหนึ่งเปรียบปานดุจหนึ่งว่าคนทั้งหลายอันทําลายและขุดซึ่งแผ่นดินแผ่นดินนั้นได้กระทํากรรมหนหลังไว้หรือบ่อพิษพระราชเจสมผ่านสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมิินทราธิบดีมีพระราชาองค์การว่า